อ่ะเรียบร้อยฟังฟังไปนี่ก่อนอย่าเพิ่งไปคุยกันมันมันเลยมันไม่ใช่เวลาคุยพวกเราชาวพุดมันไม่ได้จริงจังแบบปรารถนาใจอย่างแท้จริง บันอื่นมืองอื่นเขานี่ก่อนที่พระจะมาต้องเรียบร้อยนิ่งเงียบผมก็ไปอินโดมาคนสองสามร้อยคนคนเป็นพันค น, นพระมาเขาเงียบนึ่ ง, งต้องมีความพร้อมเขารู้เวลาเจ็ดมงครึ่งเนี่ยก่อนนั้นตป็งหนึ่งละ พวกเราตามอัธยาศัยจนชินน่ะมันเป็นตัวอย่างที่ดีโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันสำคัญจริงๆแล้ววันอะไรสำคัญทุกวันนี่แต่ถ้าเราไม่ยึดเอาอันใดอันหนึง่งเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสำคัญเป็นต้นแบบมันก็ไม่มีต้นแบบในชีวิตเลยเราจะเอาใครเป็นต้นแบบ แล้วพวกเราต้นแบบเลยมีอะไรเป็นมาตรฐานบ้างปากมาตรฐานไหมตาหูจมูกมาตรฐานไหมก็เอาหอต้นแบบมานั่นกันค่าวัดของพวกเราเบื้องต้นให้เข้าใจตรงกันเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานจริงๆว่า เข้ามาเพื่ออย่างวันนี้ถ้ามาตามประเพณีตามพิธีกรรมพิธีเกินไม่ถ้กมาเสียเวลามาแล้วไม่เกินประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นระเบิดตนการเข้าวัดจริงๆคือวัดสามอย่างคือ1หนึ่งวัดกายตัวเองเนี่แหละ มันเงียบมันสงบบันเรียบร้อยไหมเนี่ยกายเห็นไําลังพูดอยู่เนี่ยสองวัดวาจาคือวัดปากเนะนี่ยเฮตอนนี้ห น, น่ารักนี่แบบแต่ถ้าคนต่างกลุ่มเจ๊ตัวเจ๊ไม่รู้เรื่องข้อที่สามคือวัดใจ นี่คือการเข้าวัดแท้ๆจริงถ้าเราเข้าวัดแล้ววัดได้อย่างนี้วัดกายตัวเองได้วัดวิญาตัวเองได้วัดใจตัวเองได้ถ้าวัดได้จริงๆไม่ต้องมาวัดอยู่ที่บ้านก็วัดได้เพราะอันนี้มันอยู่ที่ตัวเราหมดกายเป็นเรื่องของเราไหมวาจาเป็นเรื่องของเราไหมใจเป็นเรื่องของเราไหมเพราะว่าจะไม่เข้าใจ บามาวัตกะอิล่งช่วงเจ ง, เงขมองชงช้งางโดยพ่ออย่างยิ่งวันนี้ที่บอกเป็นวันสาคัญคือมันเป็นวันคล้ายถ้าเปน็นภาษาเราหรือวันเกิดของพ่อเราเราควรจะทําตัวอย่างไรถ้าเป็นพ่อจริงๆเราทุกคนมีพ่อไปแล้วมีพ่อมีแม่คุณพ่อเปรียบเทียบไปฟังเสมัอว่าวัน ไตสรสารคมคือพระพุทธเจาพระธรรมพระสงค์เป็นวันนี้คุณกองทิพย์เพ็มแจก150ร้อยห้าสิบเล่มคงไม่พอกันไม่จำแจกกันหรือยังก็ไม่รู้พอกันไหมไม่พอมันเลยห้าสิบเล่มทำมัน้อยอันนั้นคือไตรสาคมแล้วับขั้อนของครูบอาจารย์พอเปรียบเทียบไปฟังเสมอว่าถ้าในบ้านเรานะเราเชื่อพ่อเราเชื่อแม่เราคือเชื่อฟัง หมายว่าปฏิบัติตามแล้วก็ลูกๆทั้งหลายเลจะเจริญนัดพ่อเราก็คือพุธพทธเจ้าผู้ทำกรดังก็ะชานี้แม่เราก็คือพระธรรมทั้งหลายเลเป็นธรรมชาตินั่นคือแม่เป็นบ่อเกิดทุกอย่างเดินน้ำพายลมเย็นร้อนอ่อนแข็งฝนตกฟ้าร้องอันนี้คือแม่เป็นธรรมชาติ เทุกวันแต่เราไม่ฟังไม่ฟังพ่อไม่ฟังแม่แต่ที่ผ่านยังมีลูกของท่านคือพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพยายามไปยีบอกถ่ายทอดปาก่าวตัดเตือนว่าพ่อเราพูดอย่างนี้นะแม่เราทำอย่างนี้นะพวกเราก็ไม่ฟังเราจะเอาดีจากไหนมาทีนี้ความดีมาจากไหนกันนี้ สะดวกคือวัดเลยไม่ได้สักอย่างไปเป็นร้อยวัดวัดไม่ได้สักอย่างจะไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเริ่มต้นใหม่คือไหว้พระไหวเองได้ก็ให้พวกเราไหว้พระไม่งั้นก็จะลอยไหว้พระเางเดียวรับศินพยายามจะให้ทักษาเองคือปริญาาตนเองที่ผ่านมาเราไม่ได้พระให้พอพระให้ก็น่ารัก พ่อดำมือแต่บอกพุทธังแสังกระจาดนี้ใหนนึกถึงพ่อนะทำมังสสังกระาดนี้ให้นึกถึงแม่นะฝากคางสสังกระจาดนี้ให้นึกถึงลูกของท่านนะไอ้พระท่านพ่อดำมือขอนะหลังจากนั้นปานาดีปาตาอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะพระถึงพ่อดำมือแต่ขอเรากระย่งเหมือนเดิมเห็นไหมเป็นภาษาไทยเราง่ายๆต่อบมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรา ไปยานตนเองถึงพระุทธเจ้าถึงพระธรรมตจงแล้วก็ศีลถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ที่บ้านเราก็ทําได้วันหนึ่งก็ไหว้พระแล้วก็สัาพทานศีลเองเลยเรียกว่าเจตนาวิรัติไม่จำเป็นต้องเป็นปาจา ก, ก็ไดไ้เรียกเจตนาวิรัติวิรัติกันหดเวน้นเกิดเว้นทางกายทางปาจานี่แหละมันก็เป็นศีลแล้วโดยที่ไม่ต้องไปขอกับพระอันนี้คือศีลที่แท้จริง หรือเราไม่ต้องขอกับใครเลยแต่เราสามารถที่จะรักษากายวาจาตัวเองได้เป็นสินทันทีในทางปฏิบัติโดยไม่เกี่ยวกับเพศเพศชายเพศหญิงสมณะพระเนนไม่เกี่ยวกันเป็นศินได้ทัน ท, ท, ทีทุกคนถ้าเราเข้าใจตรงกันอย่างนี้วันนี้วันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งทีเป็นวันพ่อของเราต้องมาดูว่าพ่อที่เป็นต้นแบบ ของคนทั้งโลกที่เป็นพุทธว่าท่านใช้ชีวิตอย่างไรมีชีวิตอย่างไรเริ่มต้นเด็กแกไวัยเด็กแล้วเปิดกับพวกเราทุกคนเรียนหนังสือทำงานแต่งงานมีครอบครัวอายุยี่สิบเก้าขึนหันทางออกในครมะคือสวยงาคุณอันเปิดคือออกบวชแต่ปูน ง, งานคือการออกจากกามคือไม่ใช้กาม คือกรรมบุคคนี้แหละเราจะเร็วในขมะโดยการหันเข้าปลาในวัยยี่สิบ้าปีคือทิ้งทุกอย่างพราะนั้นคำว่าทิ้งอยากให้พวกเราจำเอาไว้ว่าวเราจะทำทุกอย่างเพื่อทิ้งไม่ได้เอาจนวัยสุดท้ายในวัยแปดสิบปีพยายามทดสอบทดลองค้นคว้า ผู้ชาของเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่เชื่ออะไรยังไงวิทยาศาสตร์คือพิสูจน์ได้โดยตนเองทดสอบทดลองทรมานทรกรรมในสมัยนั้นมีาศาสตราเรียว่าครูทั้งหกทุกคนก็คือเก่งเป็นครูเป็นอาจารย์สอนยังไงเรียกาาศาสตราในยุคนั้นพวกเขาทดสอบทดลองทุกอย่าง ส่วนเรื่องฌานสมาบัตรรูปฌานอรูปฌานได้ตั้งแต่เป็นเด็กทำไมถึงได้ไง่ายถ้าพวกเราคิดไง่ายๆ่ายงีมันก็ใช่แต่ท่านสะสมมากี่ภพ ก, กี่ชาติแล้วไม่ใช่ว่าดั่งแบบเดียวทาย ไ, ได้ทำไมเราไม่หมดพระพุทธเจ้าก็กาต้องเลิกตัวนี้ว่าเราบารมีเราสะสมมามันไม่เท่ากันแต่และคนเพราะนั้นที่มาที่ไปพวกเราจึงแตกต่างกัน อย่างนี้มีจนทุกเดักก็เพราะว่าท ร, ร ม, มาไม่เหมือนกันแต่ว่ายังโชคดีที่เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระุสศาสนานี่คือความโชคดีของพวกเราประกับมาอีกคือว่าพุทธเจ้าของเราควรเป็นพุทธเจ้าคือทดสอบทดลองทุกเรื่องเรื่องการยืนเดินนั่งนอนกินไปยเพาะเรื่องการกิน ที่พวกเราเนั้นกันนักกันหนังอย่างนี้พูดวายเรื่องกันเป็นกวาไปครึ่งชั่วโมงยังไม่เสร็จกูจะอดคือไม่กินอะไรเลยก็จะเข้าใจเรื่องรูปเรื่องเวทานาสัญญาสังขารนิยามสี่ตัวซึ่งเป็นนามเป็นเรื่องที่เข้าใจยากพออดข้าเสร็จก็เวทนาก็ตามมาเริ่มรู้เวทนาคืออะไรถ้าไม่กินน่ะเวทนา ความหิวก็คือเวทนานเองควาหิวมันจะีบขั้นอยู่ไปได้ร่างกายนี่แหละเพราะอดคือไม่กินไม่บริโภคไม่ฉันไม่เสวยจะเป็นราชาศักจะเหลือแต่หนังหงกด็ดูไปดูนี่กี่วันกี่เดือนที่ไม่กินอะไรเลยนั่งอยู่เฉยๆกระดูกแทบแห้งเหมือนเนซากศพ่ะ ก็อะไเกิดมกักพูดอะไรหนึ่งสุดท้ายก็กลับมาสวยตักราย า, ารคือกินข้าวเพื่อเริ่มเป็นกำลังเพื่อบรรเทาเวลานานเองเพระวทธท่านอดข้าวก็ตายเปล่าไม่ได้อะไรเพราะว่าที่ทรมานนั้นเป็นเรื่องของกายมันไม่เกี่ยวกับใจถทัดทีเข้าใจว่าโอ้กายมันเรื่องของกายปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของจิตเรื่องของใจอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้น เป็นอุทาหรณ์สอนพวกเราว่าคอาทุกข์เนี่ยถ้าเป็นทุกข์ของกายก็แก้ที่กายทุกข์ของใจก็แก้ที่ใจแต่เราเม่าไปหมดได้ที่สมคัญมันก็เมว่วยังไม่พ อ, อยังได้แต่บ่นว่าทําไมมันถึงทุกข์ก็ไม่มีคําตอบว่าเป็นเป็นทุกข์ของกายหรือทุกข์ของใจแต่เราก็ไม่หาคําตอบกันเราไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้พิสูจน์โดยตนเองอันนี้คือเป็นตัวอย่าง ที่ดีวันหนึ่งเพราะนั้นสาหรับพวกในขมะฝากไว้เราให้เราไป ถ, ถาดถาดหลุมลองกินให้เป็นระเอียดเรียบร้อยกินเท่าที่มีอยู่มันไม่ตายหรอกมินข้าววันละมือสองมือไม่ตายพุทิเจ้าฉันมือเดียวอยู่ได้ทั้งแปดสิบปีเราแคมาฝึกแค่วันสองวันเนี่ยมันไม่ตายหรอกถ้าตายเรามีสาราองรับอย่างดีส่วยเลยสองสา เม่กี้ประกาศนว่ามีโรงเย็นให้ยุดนอนโดยสบายเลยสบายแล้วไม่ต้องกลัวร้อนติดแอรอย่างดีเลยถ้าตายถ้าไม่มีเจภาพสวดให้สวดให้ทั้งวัดเลยไม่ได้เพราะเราจะได้รู้ว่าเออจริงๆนะทุกวันนี้เราเระบากเรื่อง ก, การกิน้าละพัดผก้ใดคือปา ก, นะกนั่นแหละผู้ยัง คณะผู้รเจ้าของเราสอนน่ะตั้งแต่เรื่องหยบหยาบเรื่องธรรมดาเรื่องพื้นเรื่องหยาหยาคก็ตั้งแต่หัวลงมาให้ระวังนะคือสํารวมตัดแชกเข้าม า, าสํารวมระวังตาระวังหูระวังปากอ่ะคือเป็นที่มาความสุขความทุกข์ของพวกเราเกิดผัทธะคือกระทบกระทบจิตใจแล้วเมื่อเกิดเวทนาคือสุขทุกข์เฉยฉ แล้วก็เดือดร้อนไปตามภรรษะนั้นๆถ้าไม่ควบคุมใจตัวเองไม่ฝึกใจกับตัวเองมันก็เป็นไปตามคือดิ้นไปตามเขาด้าศาสนาของเรามันเป็นการสอดตัวเราเองโดยพระพุทธเจ้าทําเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าคือพ่อของเราดังนั้นพ่อของเราเนี่ยถือว่าเป็นญาติย่อมบุคคลไม่มีศาสนาใดที่ เสียสละขนาดนี้เสียสละครอบครัวทรัพย์สินเงินทองของมค่าและที่สําคัญคือไม่ยุ่งหันหลังกับคนที่เข้าป่าศา ส, สดาอื่นศา ส, สดาอื่นก็ไม่ไม่มีที่เป็นอยู่ทุกวันที่เป็นปรากฏทุกวันเนี่ยที่เป็นเป็นศาสนาจะเป็นศาสนบุคคลคือศาสดาเนี่ยมันไม่มีอย่างอุปจาร์ของเรา พอเราอยู่ได้เป็นสอพันกว่าปีมาแล้วก็ฝากเราทุกคนเป็นศาสนาพายากณก็ให้ฟังพ่อบ้างให้ฟังแม่บ้างฟังพ่อคือคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังธรรมฟังแม่ก็คือธรรมชาติคือเกิดเกย์เจ็บตายนี่นก็คือแม่นม่คือธรรมะให้ดูบ้างให้ไปเจรจาบ้างมันจะได้เห็นมันจะได้ประโยชน์จากการเกิดเก่เจ็บตาย พูดถึงเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายก็ให้ดูพ่อของเราพ่อของเราก็เกิดเหมือนพวกเราเกิดนีน่เกิดเจ็ท้องแม่เหมือนกันแต่เกิดแก่ร่างไม่กรตายเพราะเกิดแม่ของพระพุทธเจ้าของเราเกิดมาเพื่อเป็นแม่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวท่านภารกิจท่านหลังจากนั้นท่านกลับไปอิรวรเหมือนเดิมทำไมต้องเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าเพราะว่าอธิษฐานกันไว้ก็ไม่มีใครอีกแล้ว ผู้เช่าเผ ย, ยได้องเดียวแล้วท่านกักลับไปสวรรค์คือสวรรคตสวรรคตยิ่ปลวไปสวรรค์แต่เราแปลว่าตายนั่นแหละก็กลับไปที่ไปสวรรคตคือกลับไปที่เดิมก็ไม่ได้เป็นแมยัยตายตอนนี้นท่านก็อยู่บนสวรรค์บนโปรดพุทธมาดาหลังจากนั้นบวชแล้วท่านก็ไปโปรดพุทธมารด า, เอ า, เ, าเอาไปที่มาหาเอาไปทํามาดูผู้เช่าของเรา啊 การเกิดของพระเจ้าที่เกิดของพวกเรามันแตกต่างกันแน่อยู่เขาบอกว่าการเกิดของพระเจ้าไม่ได้เหมือนกับพวกเราพวกเราเนี่ยเกิดเพื่อตายแต่พูด ง, ง่า ย, ยๆแบบนี้ไม่อจะเป็นเกิดแก่เจ็บแล้วสุดท้ายก็ตายแล้วก็ไปกลัวตายไม่กลัวเกิดมันเรื่องแปลก น, นะทั้งๆที่เริ่มต้นจากการเกิดถ้าไม่มีเกิดก็ไม่มีตายแต่เราไปกลัวดีกว่าตาย แต่ปรารถนาจะเกิดแปลว่าอะไรปรารถนาที่เกิดแต่ไม่อยากตายสองพันกว่าปีนี้มันเคยมีไหมมันเกิดแล้วไม่ตายมันไม่มีเราก็ไม่ฟังพ่อเอีพ่อพูดแล้วเราก็ไม่ฟังแต่สําคัญอยิ่งกว่านั้นก็คือพ่อเราไม่ได้เกิดเพื่อตายอย่างพวกเราพ่อของเราเกิดสองครั้งพวกเรานั้นเกิดครั้งเดียว ครั้งแรกเป็นคนเหมือนเราเนี่ยแหละตามศาสนาบารมีที่เราเป็นมาเกิดธรรมดาเกิดครั้งที่สองเกิดในทางพุทธศาสนาเหมือนตอนนี้เป็นขยลน้อยตอนนั้นกําลังจะเกิดใหม่ เ, เกิดเนครั้งที่สองเนี่ยเกิดเพื่อไม่ตายคือเกิดเป็นพระพุทธเจ้าคือตัดสัตวเป็นพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ตายท่านจะไม่กลับมาเหมือนพวกเราเอีกนี่คือข้อแตกต่างเพราะฉะนั้นเราเลือกเองว่าเกิดเพื่อตาย เกิดเพื่อไม่ตายถ้าเกิดเพื่อตายก็ไม่ต้องทำอะไรยืนโดนคนคอยไปวันๆอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อไม่ตายต้องดูพระพุทธเจ้าอาจจะช้าหลายภพหลายชาติหน่อยอาจจะสาชาติห้ชาติเจ็ดชาติา ต, ตามวาสนาารณีแต่ว่าภพชาติมันก็จะน้อยลงถ้าเราตั้งใจจริงๆดูพระพุทธเจ้าเกิดมาและเพื่อไม่ตายจริงแต่ ท่านบำเพ็ญมาอาสองไขไม่ได้อย่าบอกว่าเป็นพ่อเป็นชาติเลยเป็นกลับเป็นการเป็นอสศงไขถึงากเป็นพระพุทธเจ้าได้พูดง่ายถึงจะมาสอนพวกเราได้เป็นมาทุกอย่างบำเพ็ญบารมีมาทุกอย่างมันไม่ใช่ง่ายๆะฉะนั้นฝากพวกเราทุกคนในวันสำคัญในทางาศาสนาวันนี้ให้เรามีพ่อ มีแม่แต่เราก็ให้เชื่อฟังลูกของท่านโดยเฉพาะลูกที่ท่านปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบหรือสุ ป, ปฏิปนองพระสุปฏิปนโนใครก็ได้ทีนั้นก็ได้ถ้าปฏิบัติดีเป็นสุ ป, ปฏิปนองหมดมากน้อยเท่าแกานมไม่เกี่ยวขอให้เพื่อนพู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเชื่อฟังปฏิบัติตามเราก็เชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยเฉาะองยงิงคือนามที่เราได้รับว่าอุบาสกอุบาสิกาแ ท, ท้จริงแล้วคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาคือการเข้าถึงพระรัตนตรัยเราจรึงแปลภาษาเราง่ายๆว่าเข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยเหมือนเรานั่งใกล้กันคนที่นั่งใกล้กันไม่ต้องเห็นกันไม่ต้องรู้จักกัน เพราะนั้นคําว่าอุบาสกอุบาสิกาแปลว่าผู้เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยและเห็นไหมนั่งใกล้ใกลพระรัตนตรัยเห็นพระพุทธหรือยังเห็นวัฒธรรมหรือยังเห็นพระสงฆ์หรือยั ง, ย ง, ง, ยงถ้ า, ย, า, า, านะยังไม่เห็นก็ห่างไกลนะยังไม่ใช่อุบาสกอุบาสิกาเพราะฉะนั้นเป็นคําที่พอมากเป็นคําที่ซึ้งมากถ้าเราคิดดีๆฝากพวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกา ผู้เคารพในกายปาราตะไรให้ดูท่านเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างเป็นบุคคลตัวอย่างชีวิตของพวกเราก็จะเจริญอย่างน้อยที่สุดก็คืออยู่แบบโลกโลกที่เรากันอยู่ธรรมะก็นก็เจริญอยู่แบบโลกก็เจริญแบบโลกอยู่ทางธรรมก็เจริญแบบธรรมแต่ถ้าจะให้ดีก็คือโลกกับธรรมเราต้องอยู่ด้วยกันต้องไปด้วยกันอย่าไปเอาโลกอย่างเดียว สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรนะโลกะคือโลกนี่ไม่ได้อะไรทำอีกฝั่งหนึ่งโลกกับทำทำได้ส่วนโลกเนี่ยทิ้งมือทุกข์เจ้าทิ้งทำไมถึงบอกว่าทิ้งอะ่ะเพราะว่าทําไม่เอาอะไรเลย่เพราะดันโลกที่เราทํำทำมาทั้งหมดต่อให้มีเป็นร้อยล้านพันล้านสุดท้ายก็ทิ้งคนที่ได้ไม่ใช่เรานะแล้วคนที่ได้เนี่ย ปีหนึ่งนึกถึงเราวันละกี่ครั้งวันสงการวันปีใหม่ปันครบรอบวันตายเต็มที่เพราะนั้นเราไป้อยคนอื่นก็ทำเนี่ยปีหนึ่งเต็มที่สองสามครั้งต่อให้หมอบบุดอกให้เป็นร้อยล้านเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอุทาหรณ์เป็นกรณีสาเป็นตัวอย่างว่าเออในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ ให้พยายามยนดนิออม้นรนขวนขวายหลวงพอพูดเสมอสามคำนี้ยสำคัญที่สุดในชีวิตของเราคือสามพยางนี่แหละลมหายใจนี่คือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดที่ขอแก้แหวนมือทองของข้าใดๆถ้าสามพยางเนี้ยไม่มีในตัวเราเนี่ยร้อยล้านพันล้านแสนล้านที่มีอยู่ ไม่มีประโยชน์อันใดหนเลยเพราะฉะนั้นนี่ที่เราฝึกดูลมหายใจถือว่าทำถูกทางแล้วทำตรงกับพุทธพจน์คือคำสอนของพุทธเจ้าแหลงดูลมหายใจเข้าหายใจออกตามได้คำบริกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เรียกวฝึกสติให้มีสติอยู่เสมอสติฝึกได้โดยสีร่รบทโดยท่ายืนท่าเดิน่นท่ายนท่ายืนท่านอน่นแ่่นี้ และคนเราก็ใช้อิเล็กรอนสี่อินี่แหละในการดารงชีวิตแต่ว่าเราใช้มันโดยไม่มีสติกํากับเดินแต่ไม่มีสติกํากับเราก็เป็นที่มาของการไม่สํารวจตาหูจมูกปากเพราะฉะนั้นยืนเดินนั่งอยากกรได้ให้มีสติกํากับเพราะฉะนั้นพุทโธเป็นคําสมมติขึ้นมาว่าถ้า กอาพุโธคือเป็นพระนามของพระองค์เป็นตัวตั้งซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นมงคลการเอาพทโธกับกับอายะเข้าขาบอกพทโธพุโทโธพ่อก็ลงหายใจจนลมมันหายจนเหลือแต่ใจแสดงว่าเข้าใจล้วเหลือแต่ใจแสดงวใจยังเป็นกลางถ้าใครเข้าใจจริงใจยังเป็นกลางใจเป็นกลางยังไงเมื่อความสุขเกิดขึ้นก็เรียกว่าสุขใจเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเรียกว่าทุกข์ใจ แสดงว่าใจของเรามันเอาทั้งสองอย่างนลทุกมาดูด้วยมันก็เอาสุกมืองก็อยู่ด้วยก็เอาแต่มีอารมณ์มนหนึ่งที่เราไม่รู้จักคือไม่ฝึกกันก็คือการวางอารมณ์คืออุเเปรขาอุเเปขาคือไม่เอาทั้งสุขและทุกัน่นคือคำว่าใจเพราะนั้นที่เราฝึกก็คือฝึกให้เข้าถึงใจเพื่อจะได้ไม่อยู่กับสุขกับทุกเพราะ ถ้าอยู่กับสุขมันก็หลงอยู่กับทุกข์ก็ทรมานถ้าวางหรืออุเบกขาเราจะได้เข้าใจเออใจธรรมชาติจริงๆมันอิสระมันสบายถ้าไม่มีสุขมีทุกข์มาเจือปนในชีวิตประจํานะวันเพราะะฉนั้นการนั่งสมาธิเป้อหมายก็เราคือต้องการให้เราวางอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์นี้ให้ได้ก่อนมันจึงจะสบายได้ถ้าจิตยังเกี่ยวข้องกับสุขกับทุกข์อยู่ ไอ้สคนมันไม่ถูกกันเจ้าสุขกับเจ้าทุกข์มันไม่ถูกกันเมื่อสุขใจเข้ามาอยู่เนี่ยทุกข์ก็อยู่ไม่ได้เมื่อจะทุกข์คือทุกข์ใจมาอยู่ในใจเราสุขมันก็อยู่ไม่ได้มันไม่ถูกกันไอ้สองตัวมันไม่ถูกกันวันนั้นหน้าที่ของเราคือดูว่าสุขมาอยู่กับใจแล้วเป็นยังไงข้งมันทุกข์มาอยู่กับใจของเราเแล้วผลมันเป็นยังไงนั่นแหละคือคำวมาสติ แล้เราจะอยู่กับสุขหรือว่าทุกข์แล้วกลับมาถามอีกทีว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไ ร, พ, ระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์ไม่ได้สอนเรื่องความสุขพี่แต่บอกว่าอาการอย่างนี้เป็ น, นการสุขคือสบายแต่เราก็ไปติดตัวนี้ติดสบหลพระพุทธเจ้าสอนคําแรกที่สอนที่เจอก็คือทุกขเนี่แหละ แล้วก็เขบอกว่าทุกมันมีเหตุมันมีที่มามีที่ไปของมันนะที่มาของทุกเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีที่ดับทุกมันมีวิธีก็คือหนทางในการปฏิบัติทุกองมันมีแต่เราไม่ได้สนใจเดี๋อริยมรรคเองอริยรักมีองค์แปดวิยัสสัตสีมันปตรวปราบทุกถ้าพูมิศาสตเราง่ายๆก็คือตราบดใดที่เราใจของเราสภาวะใจของเรา ไม่ประกอบด้วยสินสสดีปัญญาไม่มีทางที่เข้าใจในการปฏิบัติสินสอดีตอนนั้นช่วงระยะเวลาที่เรามีอยู่จำกัดมีน้อยคือชีวิตของมนุษย์มีไม่ได้เยอะมีน้อยมากก็พยายามที่ศึกษาดูพ่อเราแม่เราปฏิอย่างเหมือนในบ้านให้ยกพรตัตตระไดไปไว้ในบ้านคือยกพ่อคือพระพุทธยกแม่คือพระธรรม ยกลูกกระท่านคือประสงค์เตห้ในบ้านเรากปจะชื่อว่าอุบาสกอุบาสิกาคือผู้เข้าเป็นนั่งใกล้พระรัตนตรัยขออัรมทานขอดีที่พวกเราทุกคนที่ร่วมกันกระทําบำเพ็ญ น, นึกถึงบรูรพาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะจริงยคือวันนี้เป็นวันที่วันคุนเจ้าประสูติเกิดแต่จะรู้คือรู้ความจรงิงบริพานคือตาย แต่ว่าตายไม่ได้ตายอย่างพวกเราไม่ได้กลับมาผู้เราอีกขอเขาถือต่างดฉงนั้นหลังจากนี้ไปก็ได้สร้างษาากษัตริยายาตูหลานของพุทธเจ้าเป็นพุทธบุตรฝากไว้ในพุทธศาสนาพวกเราน้อมรุนนาพร้องกันวันนี้จะมีการ ป, ปรรพชาคือบทเพลงหนึ่งรูปแตยัางมีอีกสองคนที่ยังรอดู เ, เพื่อศึกษาพระธรรมในในถือว่า วันนี้เราเป็นวันตัวอย่างแล้วก็จะได้เท่ากันบรรพชาสา ม, มเณรเป็นสา ม, มเณรเราก็อนุโมทนาพร้อมกันในวันสำคัญวันนี้เนาะวันนี้ตอนบ่ายมีกิจกรรมหลังจากปฏิโมกเสร็จปีนี้เรามีพระเณรที่สอบบัิได้สองรูปประโยคหนึ่งสองหนึ่งรูปแล้วก็ประโยคหกหนึ่งรูป ประโยคหนี่จะพิเศษหน่อยคือรับจากในหลวงที่วัดพระแก้วรับมาเมื่อวานวันนี้ก็เดินทางมาไปส่วนดอกเพวัะนั้นบ่ายสามวันนี้จะไปแสดงความยินดีเขหน่อยกว่าจะได้ประโยคหกแล้วก็พิเศษคือในหลวงเปลี่ยนพัดแล้วก็เป็นได้รับทุนเล่าเรียนหลวงเลยวัดเหล่านี้ประโยคหกคณ ที่สอบได้นามวัดเราได้กี่รูปแล้วคือตั้งแต่ต้นมาจะรอหมาภัยหมาสุทสิทธิ์นะวัดเราได้ตั้งแต่ตั้งสำนักมา5ารูปเองประโย ค, โคนะหกดูว่าประโยคเจ็ดใครจะได้ไปรูปเก็บพระเดน อะไรเกี่ยวกับประเดนเองจเจอไปเห็ น, นได้ยากภาษาบาลียากมาค่อยแจกต้นการศึกษาที่นู่นงานสลักกระพังเดือนสิบแจกรางวัลกันทั้งครูทั้งนัน ก, นกนเรียนมาต้นการศึกษา ก็เป็นการสนับสนุนให้การศึกษาสนับสนุนทั้งทางโลกทางธรรมทางบาลีทงางนักธรรม